เราคิดว่าสวดมากก็เสียเวลาภาวนาสวดเท่าที่หลวงตาท่านพาสวดแต่ไม่ใช่พาสวดตามในแบบวิทยุทุกวันนี้นะที่ท่านพาสวดทำตอนวัดตอนค่ำท่านสวดพาสวดไม่มากหรอกสวดทำวัดทำวัดเสร็จแผ่เมตตาสองับทตอนหลังก็จบแค่นั้นมาสิบห้านาทีสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีอย่างนานที่สุด เอย่างอิมินาที่อิมินาแปลเมื่อกี้นี่ก็เป็นตำนานมาจากหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวพาสวดแถวนี้อพอได้ยินว่าหลวงปู่ขาวเราก็เริ่มใ ส, ส่ศรัทธาก็เลยพาหมู่สวดแล้วก็เป็นการแผ่ไประบุบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักเจ้ากรุงพลาพาลีเจ้าอะไรทอะไรไม่รู้ <laughs> เจ้ากรุงพารีอะไรไม่รู้ ไม่รู้มันเพี้ยนไปยังไงเราก็ไม่รู้นะต้นต่อไปอยังไง า, าจากฝเ อ, อเจ้ากรุงพาลีพระนางธรณีพระนางคงคาพญยายมรด จ, จุราชเนี่ยคืออยู่เพื่อไม่มให้พญายมเบียดเบียนเราพญยายมาราชท้าจัตุโลกบาลแผลเมตตาเขาได้สัตว์ที่อยู่ในพบน้อยพบใหญ่พบสูงพบต่ำเราแพ่ให้ได้หมด จะี่ังหกะไี่งดภเกไปี่ังวดกจะไป่งวัดจะไ่ังดกรุไ่งวัภูก็ตจี่จังหะไรีเนี่ยเสนีคุธงหวเตทดเก็ีหเส็ีหรือเกะไี่จัหเกะไี่วเก็ี่จงหเะไทดเตที่ที่ ที่สำคัญก็คือเราเล็งว่าใครบ้างที่เราควรจะแผ่ส่วนบุญให้อันนี้มันเป็นปัตาปตาปฏิทานไมัยบุญบุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ เ, เราแผ่ส่วนบุญไปเราถือว่าเราได้บุญเพิ่มอีกตามหลักตามหลักของบุญกิยาวัตถุนะเราแผ่ส่วนบุญไปมันก็เป็นการได้บุญเพิ่มเพิ่มอีกเพื่อสัตว์ทั้งหลายเขาได้ยินได้ฟังและเข้ามานโมทนา ถึงเขาอนโมทนาก็ะทำให่อนโมทนาก็ะทำบุญของเราก็เพิ่มพูนขึ้นเท่าเดิมเรามีบุญเป็นของเราเราก็แผ่ส่วนบุญเข้าไปมันเป็นธรรมเนียมถ้าเราสวดจนชินเราสวดเป็นประจำเราสวดจนชินแล้วมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยอ่อนน้อมเพราะสิ่งทั้งนี้มันเป็นบุญยักกิริยาคือกิริยให้เกิดบุญ เราก็ไม่ประมาทเราก็ไม่ข้ามเราก็ไม่ข้ามเราก็ไม่กล่วงเกินอันไหนที่เป็นบุญถือว่าเป็นส่วนแห่งคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยไปอย่ามองข้ามทานเราก็ให้ศีลเราก็รักษาท่องบน เราก็ท่องเราก็บน่นสวดมนต์เราก็สวดภาวนาเราก็ภาวนาทำบัดสวดมนต์ท่องบน่นภาวนา<ม>ทั้งหมดนี้เป็นบุญยะกิริยาคือกิริยาที่ทำให้เกิดบุญคุณงามความดีเราเป็นนักสะสมบุญเราก็เก็บเล็กผสมน้อยไปหลวงตาท่านเทียบบอกคำว่าบุญคำว่าบุญเนี่ย ถ้าเราจะเทียบก็เงมือนคำว่าพริกพริกที่เรามาตํารวมกันน่ะนะลงตาทั้งเทียบนะพริกแต่ละหน่วยจะละหน่วยแต่ละเม็ดมันที่เรามาตํารวมกันเนี่ยมันมีทั้งพริกเม็ดเต็มมันมีทั้งพริกเม็ดรีบต่างๆกันนะพอเรามาตํารวมกันแล้วเนี่ยเราจะจิ้มไปตรงไหนก็เผ็ดเหมือนกันหมดอไม่สําคัญว่าตรงนั้นเม็ดรีบตรงนั้นเม็ดเต็มเพราะเรามาตะลอมรวมกันแล้ว ความดีแม้เล็กน้อยในเมื่อเราตะล่อมเข้ามาที่ใจมันก็เกิดผลที่ใจเกิดคุณสมบัติที่ใจใจกลายเป็นใจที่มีสมบัติสมบัติคือคุณงามความดีคือบุญนี่แหละบุญยะปุญญะปุญญะภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าความดีอปุญญังปุญญะปุญยังเนี่ยภาษาบาลีปุญญะอ หือท่านจะแปลออย่างหนึ่วว่าปุญยะปุญญะปุญญังนี่บุญคําว่าบุญบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขทันว่างนั้นนะเป็นชื่อของความสุขสุขกายก็ถือว่ามีบุญสุขใจก็ถือว่ามีบุญอืมปุญญะทื่ว่าเป็นชื่อของความสุขท่านทั้งหลายไม่ไม่ไม่ควรกลัวบุญเพราะคําว่าบุญบุญเป็นชื่อของความสุขกิริยาทั้งหมดนี่เป็นกิริยาของของบุญ ท่องบนสวดมนภาวนาแล้วก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเป็นกิริยาที่ต่อสู้กับกิเลสนะเป็นกิริยาที่ต่อต้านกับกิเลสเช่นอย่างเราสวดม น, นี่เราสวดมนนี่มนที่เราสวดนนะ่เป็นมนที่บัณฑิต ท, ทั้งหลายท่านแต่งท่านแต่งมาเป็นระเบียบเป็นร้อยกรอง เป็นร้อยแก้วก็ตามเป็นร้อยครองก็ตามที่เราสวดเข้าไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาษาที่เป็นระเบียบไม่เหมือนกิเลสพาจิตเรานืเราคิดมันพานึ้พาคิดสเปกสปะไปทุ่ดทีบทั่วแดนทีนี้ในเมื่อเราท่องได้เราท่องได้มันก็เกิดสัญญาฝังเข้าไปที่ใจเสร็จแล้วเราก็เอาสัญญาเก่านี่แหละมาท่องมาบน่นมาท่องมาบน่นมันเป็นการฝึกจิตให้เป็นระเบียบ ท่องบ่นสวนมดมนต์ในระหว่างที่เราท่องรา บ, บ่นด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจกิเลสมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้นะยกเว้นแต่ไม่ตั้งใจเช่นอย่างผู้ที่จําคล่องๆไปแล้วปากก็ว่าไปจิตก็นึกคิดเรื่องอื่นด้วยเปิดไปอันนั้นอันนั้นกันกิเลสไม่ได้ดอกอาปากก็ว่าไปตามความคล่องปากกิเลสก็ดึงจิตเข้าไปฉลุมซะเอาไปฉลุมกีเทวีก็ไม่รู้แหลอาบาอทีก็ จนได้ว่าผิดได้สวดผิดอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเราตั้งใจสวดจริงๆเนี่ยด้วยเหตุที่เราตั้งสติตั้งที่ไหนตั้งสติในการสวดเนี่ยะใครเห็นว่าควรจะตั้งสติตรงไหนในการสวดเราควรตั้งสติที่ปลายลิ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่เราสวดลนะเราตั้งสติที่ปลายลิ้นะจะทำให้เราว่าคำได้อย่างเต็มปากเต็มคำทีเดียว เวลาสวดมนต์ตั้งสติเข้าไว้ที่ปลายทิ้นมันจะมีเสียงสัมผัสออกมากลมๆเสียงทีฆะคือเสียงยาวก็ออกเป็นเสียงยาวเสียงสั้นก็ออกเป็นเสียงสั้นเสียงหนักก็ออกเป็นเสียงหนักเสียงเบาครุ๊กระหุอะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกมาตามหลักของไวยากรณ์ภาษาคือคําพูดคําพูดคือภาษาภาษาคือคําพูด ตั้งสติไว้ตรงนี้สวดย็บเย็ บ, ย บ, ย บ, ยบมันก็เป็นการเสริมสติเข้ามาเสริมความเด่นชัดของจิตเข้ามาคำว่าสติก็คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตเกิดขึ้นจากจิตเกิดขึ้นที่จิตคำว่าสติคือความระลึกได้ระลึกได้ในอารมณ์ที่ปัจจุบันทันด่วนนี่คือสติอาศัยสตินี่แหละเป็นอุปการะ กับการรักษาศีลกับการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการทำสมถะการทำวิปัสสนาอาศัยสติเป็นภาคเป็นพื้นาขาดสติเมื่อไรแล้วก็คือขาดความเพียรหลงตาท่านบอกว่าไปทำทั้งวันไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยก็เปล่าทั้งวันท่านว่า น, นั้นนะในขณะที่ทในขณะที่ทำ ทำสติให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใจตราบใดที่สติขาดสติไปก็ถือว่าความเพียรขาดไปแล้วขาดสติก็คือถือว่าความเพียรขาดไปแล้วเพราะตัวสติเป็นตัวดึงจิตขึ้นมาให้ชัดในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นถ้าหากจิตไม่มีสติกำกับอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตก็จะไม่ค่อยชัด ในเมื่ออารมณ์ที่เราต้องการให้จิตมันอยู่กับอารมณ์ น, นั้นๆด้วยเหตุที่ว่าไม่ชัดเพราะว่ามันจืดจางมันจืดจางไปกิเลสก็แทรกเข้ามาอาพอกิเลแสแทรกเข้ามาก็ดึงจิตเข้าไปแล้วนี่สาเหตุหนึ่งที่ทําให้จิตของเราไม่ได้รับความสงบเราสามารถสังเกตสังกาได้ในขณะที่เรานั่งภาวนาเนี่ยทำไมเราจิตธรรมทจิตของเราถึงไม่อยู่เรามาตั้งความสังเกตเรามาตั้งความสังเกต แล้วเราจะได้ความรู้ความเข้าใจเราจะได้เราจะได้อุบายวิธีจากความนึกความคิดจากการสังเกตสังกาด้วยตัวงตัวเราเองอืท่านจึงไม่ไม่พลาดจากสติไม่ให้ลาดจากสัมปชัญญะมีสติมีสัมปชัญญะกำกับคือชื่อว่าสติกับสัมปชัญญะถ้ากำกับจิตเราตอนไหนเมื่อไรจะทําการงานหนักเบา ยากง่ายอย่างไรก็ตามก็จะเป็นเหตุทําให้งานการเหล่านั้นรุ่วงไปด้วยดีไม่ไม่ขาดตกบกพร่องเพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติคือรารู้รู้ว่าเรากําลังทําอยู่รู้ตัวว่าเรากําลังทําอยู่สติความลึกได้สามัญชะคือความรู้ตัวสติเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นจากจิตเป็นคุณสมบัติของจิตสติท่านเรียกว่าเจตสิกธรรม เจตสิกก็ทำคือคือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับจิตเป็นคุณสมบัติของจิตสัมผัสัญญะคือคือความรู้ตัวความรู้ตัวโดยทําในละเอียดมากรู้ตัวว่าเรากำลังนั่งภาวนาอยู่ในขณะที่เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธรู้ตัวว่าจิตเราอยู่รู้ตัวว่าจิตเราไม่อยู่ อ, อาศัยตัวนี้แหละเป็นตัวรู้ มันมีลักษณะใกล้เคียงกันมากกับสติสัมภัญญะมีลักษณะใกล้เคียงกับสัมกับสติสติมีลักษณะใกล้เคียงกับสัมพชัญญะหลวงตาท่านว่าสติสัมพพัญญะกลมกลืนกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำสติให้แน่นหนาต่อเนื่องจนกลายเป็นสัมพชัญญะเนี่ยสติกับสัมพชัญญะบวกกันเข้าโดยเหตุที่เราฝึกฝนอบรมแล้วก็เน้นอยู่กับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาทำให้เกิดความรู้รู้จากการที่เรากำหนดจดจ่อลงไปไหนนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านให้มีสติกำกับจิตเราต้องการให้จิตสงบเรามีสติกำกับจิตเราต้องการให้จิตสงบเราต้องการเฉยๆจิตจะสงบ ไ, ได้เราจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้จิตได้รับความสงบ จิตของเราไม่สงบเนื่องจากว่ากิเลสมันมาก่อกวนให้จิตไม่ได้รับความสงบเพราะฉะนั้นเราทำจิตให้ได้รับความสงบเมื่อจิตสงบก็คือกิเลสสงบหาถ้าหากจิตไม่สงบก็คือกิเลสไม่สงบกิเลสไม่สงบกิเลสมันก่อกวรจิตของเราดึงจิตของเราไปที่นู่ดนดึงไปที่นู่นดึงไปที่นี่จิตมันดิน้นรนไปตามอำนาจของความอยากที่ท่านเรียกว่าพลังของตัณหาที่มีอยู่ภายในจิต นีเ่เป็นตัวกิเลสเป็นตัวกิเลสเป็นตัวการเป็นตัวร้ายกาศที่มีพลังสามารถจะมาแย่งจิตเราเอาไปทําตามอํานาจของมันตันหาตันหาคือความอยากความอยากก็คือตันหาตันหาก็คือความอยากตันหาวสษาบาลี ภาษาไทยของเราก็แปลว่าความอยากความลิ้นรนความเสยทะยานของ จ, อจิตมันอยากจิตมันอยากอยากอะไรอยากอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นโพะ่ะรวมไปถึงทำมารมณ์น้อมนึกอยู่ในภายในใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอารมณ์กิเลสมันพาจิตเราอยากอยากอารมณ์พานึกชนนพาอยากชนนพาอยากสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นจิตมันไม่สงบเพราะจิตมันอยากคำว่าอยากถ้าเราจะว่าหิวกัใช่มันหิวก็คืออยากอยากก็คือหิวจิตมันหิ landlord, วเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านให้ท่านให้เราป้อนอาหารให้กับจิตป้อนอาหารให้กับใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่เป็นอาหารของใจมีสติกำกับอยู่มัดจิตให้อยู่กับอารมณ์คำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตก็จะเริ่มสงบ สงบไเรืยสงบไปเรืสงบไปรืฝึกหัดบ่อยครั้งเข้าในเมื่อมันไม่อยู่มันไปเรารู้รู้สึกตัวว่าดึงกลับมาไปรู้สึกตัวว่าดึงกลับมาสังเกตสังกากิริยาอาการตอนที่จะไปนะโผล่ขึ้นมาปั๊บเ ร, เราทันปุ๊บมันก็ไม่ไปพผล่ข้นมาปั๊บเราทันปุ๊บมันก็ไม่ไปต้องขย่ยกันต้องต่อสู้กันทําอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าฝึกฝนอบรมนะ จะจิตไม่เคยได้รับความสงบก็ฝึกจนได้รับความสงบสงบอยู่ในขั้นตั้งใจคือตั้งใจบริกรรมให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวก็จะทําให้จิตดวงนั้นก็มีกําลังเพิ่มขึๆๆๆๆๆๆๆ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสงบอยู่ในขั้นตั้งออกตั้งใจสงบเข้าไปเรื่อยสงบเข้าไปเรื่อยจนทิ้งคําบริกรรมคืออิ่ม อ, อิ่มในระหว่างที่เราว่าพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนกับเราป้อนอาหารให้กับจิต พราอป้อนไปป้อนไปป้อนไปจิตก็บริโภคอารมณ์เนี่ยบริโภคไปบริโภคไปจิตมันก็อิ่มเหมือนกันที่เขาเรียกว่าปีติจิตเริ่มอิ่มจิตมีปีติจิตเริ่มสงบเพราะสงบจึงเกิดปีติเพราะปีติเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตจึงได้รับความสงบพอมาถึงขั้นนี้แล้วเราไม่ต้องว่าพุทโธจิตก็อยู่ได้นะเราปล่อยคําบริกรรมจิตก็อยู่ได้จิตไม่ไปไหน กิเลสตัณหาไม่มาดึงจิตไปเพราะจิตมันอิ่มจิตมันอิ่มอิ่มอารมณ์อิ่มพุทโธนพุทโธนเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์โดยธรรมพุทโธนี่เป็นอารมณ์โดยธรรมพอเราป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปจิตก็จะเริ่มอิ่มในความอิ่มนั้นน่ะมีความสงบในความสงบนั้นมีความอิ่มในความสงบนั้นมีความสุข มีความเชื่อมชื่นมีความเบิกบานมีความเบา อ, อกเบาใจเป็นโอชะของธรรมคือความสงบในขั้นนี้ระดับนี้แค่นี้เราก็พอได้กำลังใจพอได้กลืนพอได้นำลายกลืนเข้าปากบ้างพอไดโอ้โอชะของธรรมเข้าสู่หัวจิตหัวใจบ้างนี่คือความสงบของอจิตเมื่อจิตสงบแล้วต้องให้พิจารณา ถ้าจิตยังไม่สงบเราไปพิจารณาจิตมันไม่มีกจิจกระจายที่จะมาทางานที่เราให้เขาทำงานเพราะมันยังหิวอยู่มันยังสแสวงหาอาหารใส่ปากใส่ท้องมันอยู่พอเราจับมาใส่เรื่องที่เราจับมาใส่มันก็ไม่มาละมันไปตามวิ่งไปตามกิเลสมันพาหิวนะวิ่งไปตามความอยากความอยากมันพาหิววิ่งตามความอยากวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรส ตามเรื่องราวต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอารมณ์ที่เด่นชัดมันสามารถดึงจิตไปลากจิตไปฉุดจิตไปได้ถีงเมื่อมันมันไม่วิ่งตามันอิ่มมันก็อยู่เมื่อมันอยู่เราให้เขาทำงานเมื่อจับให้เขาทำงานเขาสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยเกิดช่องว่างถ้าปล่อยเกิดช่องว่างเมื่อไรกิเลสก็แซ่เข้ามาปล่อยให้เกิดช่องว่างทีไรกิเลสกแซเข้ามา เขาว่าเกิดช่องว่างหมายความว่ามันขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความรู้เด่นชัดภายในจิตทำให้เกิดช่องว่างพอเกิดช่องว่างกิเลสก็แทรกเข้ามาพอเกิดช่องว่างกิเลสก็แทรกเข้ามามันแทรกเข้ามาเข้ามาตรงช่องที่ว่างๆนั่นแหล ะ, ะคือความรู้สึกตัวมันไม่ต่อเนื่องมันขาดมันติดมันขาดติดขาดติด yup. ขาดติดขาดมันเข้ามาตรงช่องที่มันขาดขาดนั่นแหละ มันมาดึงจิตไปแล้วลากจิตไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ตามจิตให้ได้รับความสงบเพราะความสงบของจิตคือจิตมีกำลังเป็นของตัวเองจิตอิ่มอารมณ์จิตมีกำลังเป็นของตัวเองแค่ขั้นความสงบเราก็อยู่เย็นเป็นสุขในภายในภายในหัวใจของเราใจของเราที่ได้รับความสงบจากการที่เราฝึกฝนอบรมจากการที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาเราจะทราบ ผลภายในจิตของเราใครทําได้รับความสงบมากน้อยแค่ไหนขนาดไหนขั้นไหนเราก็ทราบความสุขเราก็ทราบความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในหัวใจของเรานี่คือความสงบเมื่อเรามีความสงบเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานแล้วทั้งก็ให้พิจารณาพิจารณาตอนที่จิตไม่หิวนี่แหละพิจารณาตอนที่มันหิวพิจารณาไม่อยู่ดอกมันก็วิ่งไปตามอารมณ์เพราะมันยังหิวอยู่ เราเอาจนมันอิ่มอิ่มอารมณ์ซะก่อนแล้วเอาเอาให้มันมันทํางานมาพิจารณาพิจารณาเพื่อทําลายความหลงของตัวเองเดี๋ยวนี้เราหลงหลงอะไรเราหลงกายตัวเองเราหลงจิตเราหลงอารมณ์เราหลงจิตของตัวเองเราหลงอารมณ์ที่จิตนึกคิดเองนึกเองคิดเองหลงเองสร้างสัญญาสร้างสังขารสร้างวิญญาณวิญญาณสังขารวิญญาณเกิดขึ้นด้วยจิต จิตก็หลงเวทนาสัญญาสังขารของจิตเองอ่ามันหลงเนี่ยท่านจึงให้พิจารณาเมื่อจิตสงบแล้วท่านให้พิจารณาพิจารณ า, า, าเพื่อทำาลายความลุ่มหลงความลุ่มหลงของตัวเองหลงยึดกายว่ากายเป็นตนว่าพักกายเป็นของของตนถ้าาเราไม่หลงมันก็ไม่ยึดอ่าเพราะเหตุที่มันยึดอ่าแสดงว่ามันยังหลง ยึดว่ากายเป็นเราว่ากลายเป็นของของเร า, ายึดสิ่งของทั้งหลายทั้งัวว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เรายึดนะเราจะไม่ค่อยคำนึงคำนวณถึงเช่นอย่างเรายึดงานาเรายึดงานอย่างใดอย่างหนึง่งในระหว่างที่เรากำลังจดจ่อต่อเนื่องประกอบการงานงต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ได้ผลอย่างใดอย่างหนึง่งเกิดขึ้น มันทำให้เราได้รับทุกข์ได้รับโทษได้รับความไม่สะดวกสบายมากมายขนาดไหนเราไม่ค่อยคำนึงนี่อันเกิดขึ้นจากความอยากความต้องการของจิตความดิ้นรนทะเยอธะยานของจิตท่านจึงให้พิจรารณาเพื่อทำลายความลุ่มหล ง, ลงเพื่อให้จิตรู้อารมณ์ปล o n อารมณ์ปล่อยอารมณ์รู้อารมณ์เข้าใจอารมณ์รู้เหตุรู้ปัจจัยของอารมณ์ เพื่อให้รู้เหตุปัจจัยของกายเพื่อให้รู้เหตุปัจจัยของจิตรู้เหตุปัจจัยของกิเลส ท, ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตรู้การต่อกอกันระหว่างรมกับกิเลสบนเวทีคือจิตเนี่ยเราพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเมื่อเราพิจารณาหมายความว่าเราต้องหันสติหันสัพพัญญะหันปัญญา หันมาดูมาทํางานภายในจิตของเราเนี่ยมาพิจารณากายว่ากายเป็นเราคําว่าเป็นเราคือจิตสําคัญมั่นมายยึดเอาถือเอ า, เอ า, เอาแล้วก็มีความต้องการไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายทั้งๆ ท, ท, ที่ร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อปรารถนาไม่สมหวังก็มีความทุกข์เราไม่อยากแก่แต่มันต้องแก่ไม่อยากเจ็บ เวลาความเจ็บมาถึงก็ทุกทรมานไม่อยากตายเวลาความตายใกล้เข้ามาก็ทุกทรมานใจกลัวตายเพิ่มเข้าไปอีกนี่คือความไม่อยากความไม่อยากอันนี้เพราะหลงหลงยึดว่าถุกายเป็นเราว่ากายเป็นของของเราท่านให้พิจารณาถึงภาวะความเป็นไปของกายเหตุปัจจัยของกายการเกิดขึ้นของกายการตั้งอยู่ของกายและการเปลี่ยนแปลงไปของกาย เหตุปัจจัยของกายร่างกายของเราได้มาจากพ่อจากแม่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ประสมกันนี่เหตุปัจจัยของกายเกิดขึ้นในท้องแม่เกิดขึ้นในท้องแม่พอทั้งขานประกอบกันแล้วก็เจริญงอกงามอยู่ในท้องแม่อาศัยเลือดอน้ำเลือดอเลือดน้ำน้ำเลือดก็คือน้ำที่ประกอบไปด้วย ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปบำรุงอัตภาพร่างกายที่ก่อร่างสร้างตนอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบกันเกาะกลุ่มกันด้วยอำนาจของกรรมแล้วก็เจริญเติบโตมานี่เรียกปัจจัยของกายธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ไม่มีของเราสัหยดเลยไปอยู่ในนั้นนะแต่พอเวลาออกมาแล้วเราก็ยึดยึดมั่นถึงมั่นว่ากายเราก็กายของของเราเราไม่ทราบสาเหตุความเป็นไปของมัน ความเกิดขึ้นการตั้งอยู่การตั้งอยู่ในท้องแม่ก็อาศัยอ า, อาศัยธาตุจากพ่อจากอาศัยธาตุจากแม่อืพอออกจากท้องแม่มาแล้วอาศัยธาตุเข้าไปได้เองอบริโภคเข้าปลาอาหารเข้าไปร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ได้นี่คือความตั้งอยู่แต่ความตั้งอยู่ของเขาก็คือตั้งอยู่ด้วยความเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทําไมจึงเปลี่ยนไปเพราะ ก้ธาตุ cat, ที่ผสมกันแล้วนั้นกลายเป็นสังขารกองหนึ่งกองหนึ่งขึ้นชื่อว่าสังขารที่ประกอบกันแล้วรวมกันแล้วเนี่ยสังขารต่างๆเหล่านั้นจะไม่คงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปี่ยไเยม่อยู่ในภาวะเดิมการที่ไม่อยู่ในภาวะเดิมที่เทวปฏทนต่อภาวะเดิมของตนไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านี่แหละทุก ทุกคือทนในภาวะเดิมไม่ได้สังขารเนี่ยถูกบีบขั้นตัวเองอยู่ทุกระยะทุกเวลาให้เปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเพราะฉะนั้นภาวะอันนี้ถ้านเรียกว่าทุกทุกขงังทุกขงังอจากทุกขังก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็เป็นอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนิจจังเป็นภาวะของมันหากมันมีมันเป็นตามหลักธรรมชาติของมัน ใครไปดัดแปลงไม่ได้โดยเหตุที่เราไปดัดแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้นี่เองพุตตะยาตังสงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาถ้าเป็นตนแล้วเราเราต้องบังคับได้โดยเหตุที่ไม่ใช่ตนเรากิงบังคับไม่ได้บังคับให้เขาอยู่คงที่ก็ไม่ได้บังคับให้เขาเปลี่ยนไปก็ไม่ได้อันนี้เป็นการรู้จักไตรลักษณ์ในเบื้องตน้นพอเป็นแนวทางในการที่จะมาหัด พิิพจารณาดูลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงแท้ความไม่คงทนของอัตภาพร่างกายถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองเนื่ ง, ง, งก็จะทำให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอัตภาพร่างกายทำให้เราปล่อยได้ละได้วางได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันมีอยู่เป็นอยู่ตามตามมีตามเป็นของมัน กลายเป็นว่าเราเอาจิตของเรามารู้เข้าไปรู้ถึงหลักสักจธรรมความมีอยู่เป็นอยู่ของมันไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสที่มันมาเสแสร้งเสกสรรให้เรายึดถือตามมันกิเลสมันพายายึดว่าไงว่างามไม่งามว่าร่างกายงามร่างกายไม่งามนาพองามมันก็ดึงดูดเข้ามาพอไม่งามมันก็ผลักออกไป เกิดความยินดีเกิดความชอบใจเกิดความพอใจแล้วก็แสวงหาได้มาแล้วก็หึงก็ห่วงก็ถนุก็ถนอมอหวังจะให้สิ่งต่างๆคืออัตภาพร่างกายของเราเนี่ยเป็นไปตามใจหวังหวังให้เป็นอย่างไรเราก็ผิดหวังกับวันนั้นหวังร่างกายให้ร่างกายคงอยู่เป็นนิจจังแล้วก็ผิดหวังหวังร่างกายให้อยู่เป็นสุขขัง แต่ก็เป็นทุกขังเราก็ผิดหวังด้วยเหตุที่เราบังคับให้สุขขังก็ไม่ได้บังคับให้นิจจังก็ไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นภาวะของอนัตตาอนัตตาเราก็เลยผิดหวังผิดหวังกับการที่เรายึดกับการที่เราถือนี่แหละนี่แหละเราพิจารณาก็คือเรามาดูลักษณะอาการของภาวะของความเป็นกายด้วยเหตุที่จิตเรามีเราก็มายึดถือกายนี่ กลายเป็นมองเห็นกายนี้เป็นสักกายะทิฏฐิเห็นว่าเป็นกายสําคัญว่าตนเป็นกายกายเป็นตนตนมีกายกายมีตนทําไมจึงมีความสําคัญเพราะว่าเราไม่เคยย้อนมาดูเหตุไม่เคยย้อนมาดูปัจจัยของมันนี่ท่านให้พิจารณาเพื่อทําลายความหลงตัวเองทําลายความรุ่มหลงเพื่อจะได้ปล่อยได้ละได้วางได้การปล่อยได้ก็คือความทุกข์ เบาไปบางไปละได้วางได้ก็คือปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากหัวใจกลายเป็นมองสิ่งเหล่านี้มีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะแห่งธรรมชาติของของของเขาตามภาวะของอัตภาพของร่างกายร่างกายเกิดเราก็เห็นว่าเกิดร่างกายตั้งอยู่เราก็เห็นว่าตั้งอยู่ ร่างกายเปลี่ยนไปเราก็เห็นว่าเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่เราไม่บังคับบัญชากายให้เป็นไปตามใจหวังในเมื่อเราไม่ตั้งความหวังไว้กับกายเราก็จะไม่ผิดหวังไปกับเขาเขาแก่เราก็เห็นว่าเออเขาแก่รู้ทันว่าเขาแก่เห็นว่าเขาเจ็บรู้ทันว่าเขาเจ็บเวลาเขาใกล้จะตายก็รู้รู้ทันว่าเขาจะแตกจะสลายไปจิตก็ปล่อยกาย ก็มารู้อยู่มาอยู่จำเพาะจิตปล่อยกายแล้วก็มาอยู่จำเพาะจิตแค่นี้เราก็ปลดเปลื้องความทุกในการที่เรายึดมั่นถึงมั่นในกายได้นี่คือธรรมะของพระฤาษีย่าจุดเป้าประสงค์ก็คือหวังจะปลดเปลื้องออกจากหัวใจผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะปลดเปลื้องความทุกออกจากหัวใจของเราเราพยายาม ฝึกฝนพยายามอบรมพยายามทําให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานาจนกลายเป็นพื้นเพยกลายเป็นสันดานของจิตเกิดความรู้เกิดความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ท่านบอกเาไว้เพื่อปลดเรื่องความทุกข์ออกจากหัวใจของตัวเองนี่เพราะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนาต้องไปด้วยกันเราเจริญแต่ วิปัสสนาอย่างเดียวเราเจริญแต่วิปัสสนาอย่างเดียวนึกอย่างเดียวคิดเราอย่างเดียวด้วยเหตุที่จิตมันยังหิวอยู่กิเลสมันก็พาจิตนั่นแหละไปะแต่ถ้าเราทําจิตให้อิ่มแล้วเมื่อว่าเรารับทานอาหารอิ่มแล้วเนี่ยมีกําลังวังชาเราพร้อมที่จะทํางานทําการได้อย่างดีจิตของเราที่ยังหิวหิวอยู่เรามาให้เขาทํางานทําการตามที่เราให้เขาทํามอบหมายเขาทา เขาก็ไปแสวงหาความหิวของเขาแหละไปตามความหิวกิเลสพาหิว<ม>เพราะฉะนั้นท่านจึงให้บริโภคบริโภคอาหาร<ม>แต่ว่าอาหารในที่นี้เป็นอาหารที่มีธรรมเป็นธรรมอาหารคือธรรมพุทโธพุทโธพุท โ, โธเป็น<ม>อารมณ์ที่เป็นธรรมอาศัยจิต ก, กํต า, า, า, า ก, ก, ก, กับจิตอาศัยอาศัยสติกํากับกํากับจิตสำมภาชัญญะกำกับจิตจิตศักทิ์ว่าเป็นผู้รู้ ไม่รู้ว่าผิดชอบชั่วดีอะไรหรอกแต่ถ้าหากสติสัมปชัญญะเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดขึ้นมารู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีพิจารณาพริกแผลเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนี่เป็นการพัฒนาจิตให้เกิดความรอบรู้ใเกิดความฉลาด Beyonce. รอบรู้ในกองสังขารฉลาดในกองสังขารเดี๋ยวนี้เราไม่ฉลาดในกองสังขารเราเลยยึดสังขารเรายึดสังขารเพราะเราหลงสังขารเพราะเราหลงสังขารเราเลยยึดสังขาร ตันหาพาให้เกิดอุปาทานยึดกายกายสังขารนอกจากยึดกายสังขารแล้วก็ยึดจิตสังขารยึดจิตตสังขารยึดสิ่งที่เป็นนามสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนามสังขารสังขารรูปสังขารนามรูปก็เกิดจากสังขารนามก็เกิดจากสังขาร คือมีส่วนประกอบส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ก็คืออะไรก็คือลูกสมุนของกิเลสตัณหาอาสวะที่มันเกิดขึ้นกากับกจิตของเราให้จิตของเราได้ใช้ได้สอยอทําตามหน้าที่ของของมันนั่ น, น, นเองเวทนาก็เป็นนามธรรมอย่างหนึ่งเป็นกิริยาอาการของจิตสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นกิริยาอาการของจิตที่จะเอามา ทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจกับรูปประธรรมมาเกี่ยวข้องกับรูปประธรรมแล้วก็เส พ, เเพเความสุขเข้าไปที่จิตมาเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสมโนน้อมนึกนึกในภายในใจก็เสพความสุขเข้าไปที่จิตเสพความสุขเข้าไปที่จิตเป็นสะพานเชื่อมเพื่อเสพความสุขเข้าไปที่จิตอันนี้คือทางเดินของกิเลสเราก็มาศึกษานี่แหละเพื่อเกิดความรู้เท่าทันภาวะความมีความเพลน ของกิเลสพอเกิดความรู้เกิดความเห็นด้วยอุบายด้วยวิธีของเราเองจิตมันก็ยอมรับโออันนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ออันนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่อาศัยสัญญาอารมณ์ทั้งหลายมันหลอกเราให้เราติดเราคล้องเราพัวพันแล้วเรายึดเราถือเกิดตัณหาเกิดอุปาทานสำคัญที่สุดคืออุปาทานคือยึดเอา สำคัญมั่นหมายแล้วก็ยึดเอาสำคัญมั่นหมายแล้วก็ยึดเอาสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามหลักของสัจธรรมก็ทำให้เราเข้าใจผิดยึดผิดถือผิดสำคัญผิดเข้าเข้าใจผิดก็ทำให้เรายึดผิดถือผิดอยู่นั่นแหละเป็นความเห็นไม่ไม่เที่ยงไม่ตรงตามความเป็นจริงของมันเป็นมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิด จากหลักความเป็นจริงถ้าเห็นถูกตามหลักความเป็นจริงก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นเป็นสัจจะสัจจะก็คือเหตุปัจจัยเพรมันมีอยู่มีจริงอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นหลักสัจธรรมของมันเป็นความเห็นตามหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยการเข้า มารู้การเข้ามาเห็นในภาวะแห่งความเป็นปัจจุบันทันตวนกับอารมณ์กับจิตใจที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้ถ่อนี้เป็นสัมมาทิฏฐิจิตรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันพอรู้เท่ารู้ทันก็ไม่ยึดเพราะการยึดก็คือหลงยึด ลงยึดเพราะไม่รู้รู้ไม่เท่าทันรู้ไม่ทันเห็นปับป๊บเกาะปั๊บเห็นปับป๊บเกาะปั๊บควรรักก็รักควรชังก็ชังทั้งรักทั้งชังกิเลสมันแปลเราผิดแล้วทั้งโกรธทั้งเกลียดกิเลสมันแปลให้เราผิดแล้วปลลแป ล, แ ล, แปลยังไงถึงจะถูกต้องแปลให้เห็นไปที่เหตุที่ปัจจัยของมันมันมีเหตุปัจจัยเป็นยังไงให้รู้อย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนั้น เราก็จะหมดสงสัยโอ้เหตุปัจจัยสาเหตุต้นต่อกมันเกิดจากสิ่งนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้อเหมือนอย่างที่หลวงตาตัณฑ์ตัณฑ์ เ, เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเป็นธรรมะชั้นสูงนะที่ท่านพูดถึงมาเป็นธรรมะชั้นสูงที่ท่านว่าที่ท่านว่า ตั้งเป็นอสุภะแล้วก็พิจารณาไปพิจารณาไปเห็นจิตกลืนเข้ามาจิตกลืนเข้ามาก็จิตหลงผิดเองเข้าใจผิดเองสำคัญผิดเองเข้าใจว่าเป็นอสุภะคือภาวะอันนี้เขามีอยู่ตามจริงของมันตามมีของเขาตามเป็นของเขาเขาจะเขาจะดีมีกลิ่นดีกลิ่นไม่ดีกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรยังไงน่าเกลียดหน้ากลัวอะไรงไงเขาก็มีอยู่ตามภาวะ ความเป็นจริงของเขาเช่นอย่างเราดูไปที่ร่างกายเน่าเปื่อยเงี้ยมีนอนเจาะ ย, ยุ่วเต็มไปหมดเนี่ยถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นเราเกิดกิริยาการรังเกียจจะอิด จ, จะเอียนหน้าเกลียดหน้ากลัวเห็นเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกนี่คือสัญญาสัญญามัน มันให้เราเข้าใจว่าของปฏิกูลของโสโครกด้วเหตุที่ปฏิกูลโสโครกมันเป็นสัญญาก็ตามแต่สัญญาตัวนี้สามารถเอามาปิดกั้นความอยากได้ความอยากที่ที่ทำให้จิตของเราเนี่ยไปเข้าใจว่าดีว่าสวยว่างามแล้วยึดมากเกาะในเมื่อเราเอาสิ่งที่ไม่ดีไปใส่ก็ทําให้จิตของเราเนื่ยเบื่อได้นายได้เบื่อได้นายได้ โดยที่แท้จริงถ้าเรามองให้ลึกเข้าไปกว่านั้นเลยนั้นเข้าไปอีกอ๋ออันนี้ภาวะอันนี้ก็มีอยู่อย่างนี้ภาวะอันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้นอนก็คือภาวะของมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเจาะน้นเจาะนี้น้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยิ้มออกมามันก็คือภาวะความมีความเป็นของมันกำลัดกลิ่นกลิ่นก็มีภาวะอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้จิตยอมรับอ๋อความจริงที่แท้จริงของมันก็คืออันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ ธรรมะต่างๆเหล่านี้ละเอียดเรายิ่งพิจารณาไปก็ยิ่งละเอียดเข้าไปยิละเอียดเข้าไปแต่การสร้างสัญญาเพื่อปิดกั้นความอยากนี้ท่านใครสร้างสามารถสร้างได้เพราะก่อนที่จะเป็นปัญญาก่อนที่จะเข้าถึงปัญญามันต้องไปจากสัญญาใช้สัญญาพิจารณาพิจารณาบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าจนมองเห็นความเป็นจริงรู้สึกตัวโอ้เราหลงผิดยึดผิดเข้าใจผิดสําคัญผิด ฉันอยางเข้าใจผิดว่าเป็นอสุภาะอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เข้าใจผิดว่าเป็นสุภาะในเมื่อเข้าใจสุภาะว่าเป็นเข้าใจผิดการเข้าใจว่าอสุภาะก็เป็นการเข้าใจผิดแต่การเข้าใจว่าเป็นอสุภาษะนั้นเป็นสัญญาโดยธรรมพระเจ้าท่านให้เจริญอยู่อสุภะสัญญาท่านให้เจริญอยู่สุภาษะมันเป็นสัญญาโดยธรรมสัญญาโดย ธรมะเอามาใช้ใช้สัญญาไปมากมากก็จะทำให้เรารู้สึกตื่นเนือตื่นตัวก็ขึ้นมากลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้การพิจารณาละเอียดลึกก็ไปเรื่อยลึกก็ไปเรื่อยนี่คือการตั้งใจสร้างคนงามความดีตัดสาเหตุต้นต่อที่ทำให้จิตของเราได้รับความทุกข์ประสบความทุกข์พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้อ่ อุบายได้วิธีจากการที่เราได้ยินได้ฟังจากการเทศของครูบาอาจารย์จากการที่เราพูดคุยสนทนากันแล้วก็น้อม น, น้มาพิน้อมมาพินจพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมในหัวใจของเราเพื่อความสุขความเจริญในหัวใจของเรา <c oughs> อ่าอาละพอสมควรแกเวลาละ